พระพุทธเจ้านหะือว่ า, าภาษาจีนว่ า, านา ม, มเส ก, เกยรนุ่งหนุนภู ค, คืคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือไม่ให้เป็นอื่นไปเลยแล่จากอันนี้นะ่ในลักษณะซึ่งเราจะรู้ถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจัสรลูกปริมิพันนะแบ่งเป็นแดตอนจากที่แดตอนนี้เนะี่ยว่าพระพุทธเจ้ามาสแสดง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 พระพุทธเจ้ามาปฏิสนธิแล้วก็ประสูตรในโลกแล้วก็แล้วก็ออกแสดงธรรมแล้วก็ปรินิพานแล้วก็ประกาศธรรมอย่างนี้แบ่งเป็นแปดตอนนะเป็นการแสดงของออของพระพุทธเจา้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฏปเสด็อย่างที่สุดก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้า สมัยที่ใตต้นโพนะพระ เ, เจ้าเกิดเร่าอย่างนี้นะะคือพระเจ้าเกิดตั้งแต่ประสูติแล้วนะเป็นอย่างนี้ครับอ อ, อ, อาจารย์จะว่ายังไงครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจคนละอย่างนะอย่างนี้มันจะขัดกันหรือเปล่าไม่ไม่ขัดครับไม่ขัดนะ ม, ดนะมันเป็นเพียงความแคบและกว้างนะจริงๆคติในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยมีหลายคติมากนะครับการเสด็จมาเนี่ย บางทีมันกินความรวมคมล้ายทฤษฎีอวตารด้วยนะครับเราพบว่าพระเจ้ายังฝ่ายที่รว่าเราเล่ากันว่าพระเจ้านี่คือสันตุสิทธิ์เทวบุตรถูกอัญเชิญจากชั้นดุสิตให้ลงมานะครมาเป็นพระเจ้าที่ีที่อาจารย์เปงัวพูดนี่เป็นแนวคิดของมหายาณนะครับก็คือว่าพระเจ้าองค์หนึ่งก็เกิดขึ้นมาเพื่อขนถ่ายสรรพสัตว์ไปสู่อนิพพานเป็นการแสำแดงองค์ให้ปรากฏในโลกมนุษย์ ซึ่งคงเป็นเรื่องของอภิปรัชญานะคร เ, เรื่อง ล, ลึกซึ้งอยู่แล้วก็มองในแง่ของกระบวนการทางสังคมนั้นเป็นการง่ายมากกับที่จะทำให้เกิดกระบวนการทางวัฒนธรรมขึ้นโดยอาศัยความเชื่อโดยเฉพาะของนิกายเทียนไทอะไรเนี่ยซูซูกินะปลาดใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยได้แถลงความดีของนิกายนี้เยอะซึ่งเราอา จ, จะดูถูกนะฝ่ายเซลวาดหรือเซนอาจจะดูถูกแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำ practical มาก ซึ่งเราเห็นอาซิมย์จมรงเจนะฮะนอนส่วนมนต์เนี่ยเราอาจจะดูแคลนถ้าเราเป็นนักวิปัสนาที่ชอบคลัามวอดกัน <c oughs> ที่อาจารย์เป็นผูพูดผมก็ไม่ว่าอะไรครับเพียงแต่ไม่ไม่ว่าอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกระบวนศน์คือวิธีมองให้กว้างหรือแคบนะ <c oughs> แต่ใ น, นสื่อเมื่อเราปฏิบัติทมเราต้องมองกันที่ตัวเองจนได้หละ <c oughs> ไม่ไม่ได้มองที่ผู้เจ้าหรอกถูกไหฮะ <c oughs> ถือว่าพุท ธ, ธะ ทุกๆคนคือผู้เจ้าพูดอย่างนี้เป็นหมหายาณ น, นะฮะฝ่ายเทว่าเขรับไม่ได้ครับผูเจ้าอะไรผู้เจ้ากินเหล้าด้วยเหรอพรอเจ้าพอเห็นผู้เจ้าหลายพระอ่์นั่งในร้านน้ำชาไอ้ น, นี่นเป็นเรื่องการมองที่จำเพาะหรือกว้างนะอันนี้มันเหมือนกับว่าพูดไปแล้วเหมือนกับว่าลิเกหรือมโนลาจะเล่นนะฮะถ้ามโนลาลงใหญ่แล้วเขาไม่เล่นก็แคบครับเขาต้องลวกลอง ก, องกันครึ่งคืนก่อนเรียกคนก่อน ดังนั้นถ้าเราต้องการทัศนาที่กว้างใหญ่นะฮะภัยสารอกอุ้มสรรพสัตว์ไว้เนี่ยต้องมองที่หมหาญาณแล้วยังมีเรื่องอนาคตบวงนะฮะพระเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในอนาคตนะถือว่าใครก็ตามสร้างบารมีที่จะรู้ถึงที่สุดในาศาสนาของพระเจ้าพระองค์ไหนก็พระองค์นั้นนั้นแรงอธิสฐานที่ต้องแรงอนนี้แนวคิดอีกแนวหนึ่ง แต่ไม่ว่าแนวนี้หรือแนวที่เชื่อพระเจ้าตรัสรู้ได้จนโผก็ตามนะาในสุขเราต้องย้อนมาทําความประจักษ์แจ้งในเรื่องอริยศาสตร์ด้วยตัวเราเองนั่นเองดังนั้นเพราะไม่ว่าอะไรเลยครับมันมันมันสวมกันได้มันเหมือนของทของสิ่งไม่ได้ขัดกันมันสวมลงกันได้เหมือนผมเคยพูดคราวก่อนนะว่าในมหายานมีหินยาณในหินยานมีมหายานครับเรื่องสุญญตาแล้วก็มีในฝ่ายเราครับแต่ว่าใครจะไปดึงเอามาใช้เพียงใดนะฮะดังนั้น ครับเชิญครับคือเรื่องมหายานก็เป็นเรื่องของมหายากักษเรื่องของความเชื่อศัทธากันนะครับแต่ผมก็ขอแสดงความเห็นเห็นว่าถ้าเราทางเถราวาเนี่ยเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะไม่บังเกิดอีกอย่างไรภพภูมินี่เป็นมนุษย์นี่ไม่เกิดแน่ส่วนจะไปเชื่อว่าไปเผือบเป็นภพจะอยู่ในสุขาวดีเป็นเทพอยู่ข้างบนนะั้นไม่ไม่ว่ากันเพราะเราไม่เห็น แต่การจะเชื่อว่าพุทธเจ้าลงมาเกิดอีกเป็นซึ่งเป็ น, ปนมนุษย์อีกเนี่ยมันขัดแย้งกันเองเขาอยู่ในตัวถ้าอย่างนั้นผมไม่เชื่อนะครับเขาเขาสขสงวนสิความเชื่อเลยครับอ๋อที่จริงในตามทฤษฎีของมายานเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะเขาไม่ได้คิดว่าพุทธเจ้าองคนี้ตายแล้วมาเกิดใหม่พุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นก็ถือว่ามันมีเรื่ออันตรกับช่องว่างลุพุธทธันดรนพุทธเจ้าพระงหนึ่งเนี่ยสังสมบา ร, รมีมากินช่วงเท่านั้นเท่านี้กับนะฮะ และสรรพสัตว์ที่เกิดเนี่ยก็อาศัยบารมีของพระองท่านนะครเข้าสู่วิมพันเมื่อสิ้นยุคนี้แล้วนะอาจจะมียุคต่อถัดไปหรือไม่ก็ว่างเป็นสุญญากับคือไม่มีพระเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เลยนะแล้วก็ต่อจนั้นก็เริ่มาศาสนาของพระสมัยพระเจ้าพระองค์ใหม่แต่ว่าในพระสูตรของเทราว่านนะฮะพระพุทธเจ้าพยากรณ์อชิตาพิขุอชิตาเป็นพระสูตรที่บวชกับท่านท่านบอกในกลับโน้นกับนี้นะเป็นคำพยากรณ์นะ จะมาตรเป็นภาษีอารยามิตรใจและเป็นพราม์ด้วยครับไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นเป็น ى, วรนน่อื่นเป็นวันน่พรามไม่ใช่กษัตริย์ด้วยครับแต่ผมอ่านอนาคตวงศ์แล้วนี่วิธีเขียนนีคือเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยครับต้องออกบทตรงนั้นไปไปนั่งใต้ต้นเหมือนกันหมด อ, อ, อ่าครับแต่ว่ามีหลักอันหนึ่งนะที่สําคัญมากผมคิดว่าสัมพันธ์กับชีวิตมากๆนะสมมุติเราเชื่อพระเจ้า เป็นผู้เจ้าตั้งแต่ก่อนมานะหรือเป็นเจ้าชายมาแล้วนะี่คือพุท ธ, ธะที่แสดงตนแล้วนะเราจะขาดความเข้าใจที่สัมพันธ์วิถีชีวิตจริงๆของเราเป็นอันมากตรงที่ว่าเออนี่ผมไม่ได้แย้งมหาญาณนะแต่ผมชี้ข้อข้อเด่นว่ากราบใดที่เราเชื่อพระเจ้าเป็นเทพยดาหรือเป็นไอออวตารนี่นะเราก็ได้แต่กราบว่าสําหรับผมเองผมเคยเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าต่อมาผมเริ่มมองใหม่นะฮะ เมื่อมองว่าพระเจ้าคือคนธรรมดาสามัญคนมีกิเลสเราพบได้ว่าคืนก่อนตรัสรู้นะอะไรการกคนระดับพระเจ้ามันทำไมกิเลสมากถึงขนาดนั้นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยบุคลาธิษฐานนะฮะพระจนม์าณนะฮะโอ้เรายังไม่คิดอย่างนั้นเลยยังไม่คิดถึงแม่ถึงพ่อถึงขนาดนั้นเลยทําไมพระเจ้าถึงมากถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวมาออกมาดูองลาหุนบ้างพิมพาบ้างท่านสับสนนะถ้าตามประวัติเทววัฒนะ ท่านสับสนมากเลยนะแล้วก็ท่านอาธิษฐานด้วยแรงใจอย่างเดียวท่านสู้มานไม่ได้ครับแต่อ า, อาศัยอธิษฐานอย่างเดียว น, นั่นเองร้อนถึงแม่ธรณนะีบทบาทแม่ทีนี้มันประหลาดมากนะครับตรงที่ว่าพุทธศาสนาไม่ว่าในรังกาในเดียไม่มีเรื่องเรื่องราวของแม่ธรณีมันมาเมีในบ้านเมือง น, นี้ครับซึ่งบ้านเมือง น, นี้มีประสบการณ์ซึ่งผิดแลกจากเมืองผู้อื่นนะับมันถือว่า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 รมราคติอยนี้น่คิดหน้าตีความมากพระเจ้าจับจรู้แล้วนะมายืนอยู่ที่ยืนเพ่งพิเนตไม่กับพิพเนตเจ็ดวันนะที่ดามานตามมาตอแยอีกมันหมายถึงอะไรครับมันหมายกิเลสสิ้นซากไปแล้วหรื อ, อยังเหลืออยู่บ้างเป็นกลิ่นหรือเป็นไอาย อ, อะไรก็ไม่ทราบอันนี้เราตีความตามภาษานะแต่ว่ามันชวนให้กบคิดผมชอบตรงที่พระเจ้าท่านตรัสนะฮะโดยทั่วไปศาสนาอื่นเนะี่ยคือ ศาสนามักจะตรัสหลักของความเชื่อต้องเชื่อเท่านั้นนะแต่พษษุทธศาสนาพระเจ้าตัสหลักของความไม่เชื่อสิประการเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากปฏิเสธแม้ตัวเองอย่าเชื่อแม้แต่ครนะูนั่นเองดังนั้นฝรั่งนักคิดหรือนักปราชนญะ์ยอมสยบด้วยผลข้อนี้นะตรงได้ว่าแล้วมีผระสูตรบอกว่าตราบใดที่เธอและเรายังไม่รู้แจ้งอรลิขสัตร์คือท่านเปรียบเธอและเราคล้ายๆท่านเหมือนคนอื่นนะ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 แต่ดูดูครั้งแรกดูติมหาญาณ น, นี่เหมือนปากพนังนะฮะปากพนังโปะนะครับใหญ่มากครับกว้างดังนั้นเราจึงเห็นทั้งสองซี่คดีนะครับแล้วก็เรียนออกมหาญาณก็มีเรื่องลึกซึ้งมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องลังกาวตระสูตรผมไม่อ่านนะฮะทั้งเอาเรื่องทศกัณฐ์มาโต้คาลมกับพระเจ้าเนะี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าเรื่องแต่ว่าเนื้อหาที่โต้ลึกเนื้อหาที่พูดนะครับผ ม, ผมแสดงความเห็นได้เท่านั้ น, นครับ อยากทราบว่าในสมัยอินเดียนะช่วงการเกิดวรรณะนี่เกิดจากคนเผ่าอะไรมาเช่นเช่นจะใช่เผ่าอารยันหรือไม่อ๋อครับ่าดีมากครับแต่ว่าเวลาคงมีน้อยมากผมตอบสั้นนะครับคือตั้งใจจะถามนี่ว่าถ้าเช่นั้นพระเจ้าเป็นกษัตริย์ก็น่าจะเป็นวันณะกษัตริย์เนี่ยพระองค์ก็ทรงจะรักษาความรู้สึกอันนี้ของชาวอารยันด้วยหรือเปล่านี่ในมองแง่เป็นชาวอารยันมองแง่คิดที่ดีครับวันณะนั้นเป็นระบบซึ่งใน อคันยสูตรเล่าไว้นะพระเจ้าทรงเล่าว่าวันนั้นที่เกิดขึ้นมาเนี่กษัตริย์เกิดก่อนนะครวันนั้แรกพราหมณ์แล้วก็ไวยศยะแล้วสูตรต่อมาเกิดการปฏิวัติโค่นล้มอำนาจกษัตริย์พวกพราหมณ์ขึ้นไปอันดับต้นลดกษัตริย์ลงส่วนเรื่องราวของอารยันที่เข้ามายกตัวเองเป็นวันนั้สูงนะครเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์แล้วลดชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าพวกโกลาเลียนแล้วพวกทราวิเดียนนะฮะแล้วเรียกว่าทัศยุหรือที่เรารู้จักว่ามิลักค่ะ มีลักษณะแบพวกตาพองครับชื่อนี้หมายถึงพวกชนที่ตากว้างอีกข่าวแบบตาครับมีลักาณะตาเหลือกพวกพวกตาใหญ่ น, ะนี่ถูกลถเป็นทัศนยุคือธาตุคติอันนี้นะฮะมีข้อโต้แย้งมากมายเลยนะฮะนักปราชญาอินเดียไม่ยอมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาถือว่าชาวอินเดียอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อปยกเข้ามาด้วยซ้ําไปไอ้ น, นี้นี่เป็นที่คติหนึ่งนะ แต่ว่าที่แน่ที่สุดนะหลักฐานที่โมคันชอดาโรและฮารป์ปาหนะเมืองแถวอัฟกานิสถานเนะี่ยที่มีหลักฐานก่อนหน้าพุ้จการนะรบพบว่าชาวมิลกะที่เราเคยเข้าเสพติดว่าป่าเทืยนเนะี่ยไม่อย่างนั้นครับปรากฏเขารุ่งเรืองมากๆเลยมีระบบสุขาภิบาลมีผังเมืองมีอะไรนีย่ยอดเยี่ยมเลยเจริญยิ่งกว่าเผ่าอารยันที่ลุกไล่เข้ามาอีกนี่คือข้อเท็จจริงกันหนึ่งหลักฐานค้นพบอย่างนั้นนะฮะ แต่มีจุดอ่อนด้อยคือเขาไม่พบซากของม้าเลยครับเป็นไปได้ตรงเนื้อเมื่อขาดม้ากําลังต่อสู้ต้านทานไม่มีทีนี้พวกคอเคซอยพวกอารยันที่เรียกตัวเองอารยันตามทฤษฎีฝรั่งนะฮะเป็นนักรบขี่ม้าเป็นนั่งก็ลุยเข้ามาเป็ น, น, นปท้ายที่สุดบวกลบคูณหารแล้วนะหลังจากเป็นอินเดียขึ้นมาแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของมิลักขานนั่นเองที่ได้กลายเป็นเนื้อเป็นตัวของวัฒนธรรมอินเดียจนทุกวันนี้ พุทธรูปที่เราเห็นที่ผิวเกลี้ยงงามๆเนี่ฮะเป็นรากฐานของวัฒธรรมมิลระคะเขาค้นพบรูปล่างของมนุษย์นะฮะที่คล้ายพุทธรูปตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับส่วนอารยันนั้นเป็นชาติซึ่งบลาเถือนมันคล้ายๆพม่า ก, กับมอญเนี่ยฮะพม่านี่ไปสูงวัฒธรรมมอญคือมอญเขาจเจริญมาก่อนทีนี้เขาไม่ใช่นักสู้นักลบอะไรทีนี้พม่าก็ครอบมอญแล้วกลายเป็นวัฒธรรมของพม่าไปกำนองนั้นนะครับ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 สืบเขาาเขพูดภาษาอะไรมีสับแสงที่มีต้นเขาจากภาษาไหนบ้างนะที่วัตเซเลียนี่มีภาษามากครับที่ร่วมลากกับกับภาษาไทยนะมากทีเดียวแล้วกับภาษาสันสกฤตด้วยครับเช่นชาวพื้นเมืองวัตเซเลียทักกันว่าให้นารักเป็นไงมนุษย์เรียกนระเลยนะแล้วหมอผีชื่อหมอผีคือกุรุรุคือ ค, คําว่าครูคาําว่าอกูกับคําว่ากูนี่ซ้ํากันมากครับ เมือนเมื่อผมนั่งฟังเับพูดนคล้ายๆจะรู้เรื่องแต่จริงไม่รู้เรื่องครับ mm. คือตัยคํามันคล้ายๆเราจะเข้าใจเข้าใจมัได้รวมทั้งที่เกาะ อ, อันดามันด้วยครับภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาคล้ายๆภาษาต้นต่อที่เคยแพร่หลายอยู่ทั่วแหลมมาเลนี่นะฮะ mm. ค้นไปทางนี้ค้นไปทางนี้ค้นไปทางนี้แต่ในสุดผมเชื่อเลยนะครับว่าเราจะไม่พบเลยพระเจ้ามันเชื้อพันไหน <laughs> เราจะพบไม่ได้เลยเพร มันผสมผสานไงนะฮะผสมผสานจนกระทั่งว่าประจุดน่าสนใจผมเน้นอีกนิดนึงครับตอนที่พระเจ้าโอกากิราชทรงขับไล่พระราชารถทั้งสี่ขับไล่ไปจากไหนไปอยู่อิมาลัยนั้นใช่ละเรามีหลักฐานนะฮะที่ตุลาโลก่อนี่มีผมเ้ยไปที่แม่น้ําุลอยนี้แม้แต่พระราติศาสตร์สามฤ ด, ดูที่พระเจ้าเคยอยู่ตอนเป็นเจ้าชาติก็ยังมีซากอยู่นะมีหลักฐานพร้อมมีที่ถลุงธนูแต่ว่าตอนนี้นักอบราคดีของอินเดียกับ